บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการเจริญอนุสติข้อที่เรียกว่าพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ ช่วงด้วยกันช่วงแรกเป็นการเสริมสร้างศรัทธาภาษาทะให้บังเกิดขึ้นในคุณของพระพุทธเจ้าประการที่สองเป็นการน้อมนำจิตใจของตนให้สงบอยู่ด้วยคุณของพระพุทธเจ้าและประการที่สามเป็นการน้อมนำตนเข้าไปสัมผัสคุณ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระคุณแต่ละบท ต, ตามกำลังความสามารถที่จะละทำได้ดังนั้นนัยยะของการอาาทัทาธิบายจึงมุ่งเน้นไปเพื่อผลทั้งสามประการดังกล่าวแล้วนั้นพระพุทธคุณบทว่าวิชาเจรณสัมปันโนที่แปลว่า ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนั้นคำว่าวิชาได้แก่วิชาแปดประการดังที่ได้กราบไปแล้วแต่คำว่าจรณะที่แปลว่าความประพฤตินั้นในที่บางแห่งทรงใช้คำว่าเสขะปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดำเนินของผู้ที่ยังเป็นเสขะ คือยังต้องศึกษายังต้องมีการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่พระผุมีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งสองประการนี้และผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งสองประการคือวิชาและจรณะนี้ได้ทรงแสดงไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าในมูชนที่รังเกียจการด้วยชาตินั้น กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นการเชื่อเห็นว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งสองประการคือวิชาและจรณะแล้วบุคคลผู้นั้นชื่อว่า ตั้งอยู่ในฐานะประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยเจรณะทั้งส5ประการด้วยกันแต่เนื่องจากจรณะทั้งส5้านั้นมีลักษณะเป็นบันไดธรรมเพื่อจะน้อมนำคนผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปสู่ความสงบสู่ความประนีต ความสะอาดทางจิตใจโดยลาดับท่านจึงแบ่งไว้เป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรกสี่ข้อช่วงกลางเจข้อและช่วงสุดท้ายสี่ข้อในช่วงแรกนั้นเริ่มต้นด้วยคำว่าศีละสังวรคือความสำรวมระวังในศีลได้แก่ข้อปฏิบัติ ที่บุคคลได้ตั้งจิตเจตนาวิรัติงดเว้นไปตามฐานะของตนแต่ว่าศีลที่เป็นชั้นของจรณะนั้นไม่ได้มุ่งหมายเพียงข้อปฏิบัติอย่างที่ศึกษาสมาทานกันเพียงอย่างเดียวยังต้องมีการสำรวมระวังในด้านกิริยามัร ญ, ญาต่ตางๆแม้แต่สถานที่ ซึ่งตนจะเข้าไปเกี่ยวข้องคบหาเข้าไปอยู่อาศัยท่านสอนให้ละเว้นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นอโคจรคือเมื่อเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นแล้วทําให้เกิดมีข้อรังเกียจระแวงสงสัยและได้รับคําตําหนิติเตียนจา ก, กวิญยูชนทั้งหลายในทางพระศาสนากําหนดสถานที่ เป็นอะโครจรเอาไว้มากเช่นสถานที่เล่นการพนันโรงออรรศพร้านขายสุราตลอดถึงสถานที่ที่ก่อให้เกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสคือมีลักษณะกระตุน้นเร่งเราให้เกิดกิเลสไม่ว่าจะสายโลภะสายโทสะหรือสายโมหะก็ตาม ในชั้นนี้บุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยความฉลาดในโคจรคือดูว่าสถานที่ใดควรไปและไม่ควรไปสําหรพระนั้นยังกำหนดให้ประนีตออกไปพิเศษกว่าชาวบ้านแต่เสขะปฏิปทาทั้ง15ข้อนี้เป็นธรรมะที่ทรงแสดงแก่ชาวบ้านคือเจ้าชายมหานามะสักยะ ซึ่งก็หมายความว่าเป็นธรรมะที่สาธารณะทั่วไปทั้งแก่ภิกษุบริษัทและอุบาสกอุบาสิกาบริษัท้อปฏิบัติในชั้นศีลจะต้องมีลักษณะที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่ทะลุไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาด้วยอำนาจของตันหามานะเมื่อรักษาศีลแล้ว จะต้องมีลักษณะโน้มน้อมไปเพื่อให้เกิดความสงบและผลจากการปฏิบัติศีลของตนวินยูชนยกย่องสรรเสริญเมื่อปฏิบัติในด้านสมาธิจิตใจก็จะตั้งมั่นได้เร็วสรุปว่าศีลในชั้นนี้จะต้องเป็นศีลประเภทอริยะการศีล คือศีลซึ่งพระรีเจ้ายกย่องสนรเสริญและพอใจประการที่สองทรงใช้คำว่ามีอินทรีย์อันคุ้มครองแล้วในทวารทั้งหลายคำว่าทวาร น, นั้นก็คืออายตนะภายในหกประการซึ่งเป็นทางผ่านของอารมณ์ที่จะเข้ามาสู่จิตใจ มีตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่ทราบกันแต่ในชั้นของการสํารวมระวังนั้นเมื่อกล่าวโดยหลักในการปฏิบัติแล้วจะพบว่าวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดิมรสกายถูกต้องพลทธภาและใจสึกนึกถึงอารมณ์นั้นตัวการที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มนุิการ คือความใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นแม้ว่ามีตามีรูปมีแสงสว่างที่อาจจะเห็นรูปได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ใส่ใจความโลภอภิชาหรือโทโมนัสก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้คือหมายความว่าความทะเยอทะยานอยากดิ้นรนต้องการสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนก็ไม่มี และแม้แต่โทสะคือความมุ่งร้ายความระสุสลายก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องมนุิการจึงถือว่าเป็นตัวที่สำคัญการสํารวมที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องปิดตาอุดหูอะไรอย่างนั้นเรื่องอะไรที่เห็นแล้วไม่ก่อให้เกิดความกําหนัดขัดเคือง ซึ่งในที่นี้ทรงใช้คำว่าไม่ก่อให้เกิดอภิชาและโทมานต์ได้แก่ความเพ่งเล็งโลภอยากได้ความไม่พอใจความครับแค้นใจก็สํารวมระวังเรื่องเหล่านั้นคือไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นไม่ยอมฟังถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าในทํานองตรงกันข้าม คือเห็นแล้วได้ยินแล้วสูดดวมแล้วริมแล้วถูกต้องแล้วจกนึกแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีความเจริญงอกงามขึ้นเรื่องการสำรวมระวังในชั้นนี้เรื่องอะไรไม่ค่อยจะมีความสำคัญเท่ากับจังไรเพราะถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลมีหลัก มีสติมีปัญญาระลึกรู้ทันถึงอารมณ์เหล่านั้นก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นภายในจิตในรูปที่เป็นการเสริมสร้างกิเลสขึ้นมาดังนั้นพระพุะาคเจ้าจึงได้ทรงอาธิบายเน้นไปในข้อที่ว่าเมื่อเห็นรูปเป็นต้นนั้นจะให้ เกิดความยึดถือด้วยอํานาจอนุพยัญชนะและด้วยอํานาจนิมิตคําว่าอนุพยัญชนะคือแยกถือสิ่งเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆโดยการที่ใจเข้าไปกําหนดหมายว่าอวัยวะแต่ละส่วนของสิ่งเหล่านั้นว่าสวยว่างามเป็นต้นส่วนถือโดยนิมิตนั้นเป็นการรวบถือคือถือหมดทั้งชิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งบ้านทั้งหลังไปเลย การถือทั้งสองอย่างนั้นถ้าหากว่าถือในรูปสวยรูปงามดังกล่าวกิเลสที่เรียกว่าอาภิชาคือความเพ่งเล็งโลภจากได้ก็จะบงังเกิดขึ้นถ้าหากว่าถือในรูปปฏิเสธคือไม่พอใจไม่ยินดีในเรื่องเหล่านั้น อ, ภ, อภิชาและโทมนัตโทมนัตคือความขุนข้องใจ ความไม่สบายใจตลอดถึงความประทุสร้ายก็จะบังเกิดขึ้นตัวแก้ที่สำคัญจึงอยู่ที่ให้มานสิการในเรื่องที่ควรมานสิการคือใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจและไม่ใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นทานองสอนใจด้วยคำประพานว่า ปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวซึ่งในชั้นของการปฏิบัตินั้นเรื่องบางเรื่องก็มีปากก็เหมือนปากปูใช่บ้างรูปบางอย่างถึงแม้ว่ามีตาก็ไม่ดูใช่บ้างคือไม่มนานัศการถึงรูปเหล่านั้นใชบ้าง เสียงบางเสียงก็ทำนองเดียวกันคือไม่ใส่ใจถึงเสียงเหล่านั้นใชบ้างการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ให้เกิดความเยือกเย็นความสงบขึ้นภายในจิตใจเพราะป ร, ะปริมาณความเร่าร้อนที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเนื่องจากกิเลส <c oughs> ที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคล ได้รับเชื้อเสริมส่งมาจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาความ ร, าร้อนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปกิเลสที่อยู่ภายในนั้นทรงอุปมาเหมือนกองไฟธรรมดาว่ากองไฟทั้งหลายนั้นจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีเชื้อแต่ถ้าหากว่าเชื้อถูกตัดขาดไปกองไฟก็ต้องค่อยๆดับไปเพราะหมดเชื้อความ ร, าร้อนที่บังเกิดขึ้น ภายในจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติได้ใช้การสํารวมระวังเวลาตายเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นโดยมนานสิกาในบางเรื่องไม่มนสิกาในบางเรื่องคือเมื่อใส่ใจถึงเรื่องใดแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญ ง, งอกงามขึ้นก็ไม่ใส่ใจถึงเรื่องนั้น เรื่องใดที่ใส่ใจไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญงอกงามขึ้นก็ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นประการที่สมนั้นได้แก่ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะทั้งหลายในที่นี้ทรงเน้นไปที่หลักการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปร่งเบาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ร่างกายของเรานั้นตัวแปรที่สำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารถ้าอาหารที่บุคคลบริโภคเข้ามากเกินไปนิวรณ์ข้อถีนวิมิธะคือความง่วงนอนก็จะเพิ่มสูงขึ้นความง่วงนอนนั้นเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงในการจะทำงานอะไรก็ตามบางครั้งบางคราวแม้บุคคลเห็นผลประโยชน์ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า เห็นเงินเห็นทองปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นตน้นแต่ถูกความง่วงครอบงำอย่างรุนแรงก็ไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนได้ไม่ต้องกล่าวถึงผลจากการปฏิบัติธรรมะที่มีความประณีตยิ่งขึ้นไปตนั้นการบริโภคอาหารมากก็ทมให้นิวรณข้อถีนํำมิทะเจริญขึ้น แต่ถ้าอาหารน้อยจนร่างกายกระสับกระส่ายนิวรณ์ข้ออุททัจกุกุจะคือฟุ้งสัน้นรำคาญก็จะบังเกิดขึ้นหลักของการบริโภคจึงทรงใช้คำว่าโภชเนมัตตันยูตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคำว่าอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นำผลมา ทางศาสนาได้จำแนกอาหารออกไปถึงสประเภทด้วยกันถ้าหากว่าบุคคลบริโภคอาหารอะไรก็มุ่งผลเฉพาะส่วนนั้นโดยตรงแล้วปัญหาทางด้านจิตใจของบุคคลก็จะไม่เกิดขึ้นอาหารประเภทที่เรียกว่ากวลิงกราหารอาหารคือสิ่งที่จะต้องดื่มต้องลิ้มต้องจิมเข้าไปนั้นนำผลมาแก่ร่างกายโดยตรง และผลนั้นว่ากันที่จริงแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ จ, จิตใจการบริโภคอาหารในชั้นนี้จึงสรงสอนให้บุคคลผู้บริโภคพิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออร่อยอรอยเพื่ออ้วนพีเพื่อแสดงฐานะเพื่อประดับตกแต่งแต่ประการใดแต่เราพบบริโภคอาหารนี้ด้วยความหวังว่าชีวิตนี้จะดำรงอยู่ได้ เป็นการเกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาบริโภคแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ตั้งใจว่าจะกระจัดเวทนาคือความหิวเก่าป้องกันเวทนาคือความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังเจริญเติบโตสามารถประกอบภารกิจการงานได้ทันถ้าหากว่าสำนึกเหล่านี้ มีปริมาณมากพอภายในจิตใจของบุคคลแล้วการบริโภคอาหารก็จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าโภชเนมัตตันยูตาคืออยู่ในสันฐานประมาณไม่มากไม่น้อยสำหรับผู้ปฏิบัติในทางจิตใจ น, นั้นได้ทรงแนะถึงวิธีบริโภคเอาไว้พอเมื่อพิจารณาเห็นว่าอีก4ี่ห้าคำจะอิ่มก็ให้หยุด แล้วดื่มน้ำจะเป็นการอิ่มพอดีไม่รู้สึกอึดอัดและไม่รู้สึกคิวแต่ว่าในปัจจุบันนั้นยังมีของหวานมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งอาจจะหยุดก่อนสีห้าคำก็ได้ทำอย่างไรจึงให้รู้สึกสบายหลังจากเสร็จเรื่องของอาหารก็จะเป็นการปฏิบัติตามหลักของโพชเนมัตตันยูตาได้เป็นอย่างดี ในข้อสุดท้ายทรงใช้คำว่าชาคิยานุโยกแปลว่าประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นอยู่เป็นนิดข้อนี้จะเห็นได้ว่าโดยหลักการปฏิบัติคล้ายๆจะทำไม่ได้เพราะคนเราต้องหลับต้องนอนแต่ว่าในความหมายที่ทรงอธิบายไปนั้นหมายความว่าให้บุคคลอยู่อย่างมีสติ ในการเคลื่อนไหวกิริยาบททุกอย่างเป็นการกระทําอย่างมีสติก่อนที่จะกระทําอะไรก็ระลึกได้ว่าเราจะกระทําสิ่งนั้นในขณะกระทําอยู่ก็ระลึกทันว่าขณะนี้เรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่เวลาเกิดพลังพลาดอะไรขึ้นไปก็นึกออกว่าเกิดความพลั้งพลาดขึ้นมาแล้ว ให้มีหลักคือสติคุ้มครองใจอยู่คือทรงใจไวการปฏิบัติในลักษณะนี้จะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดไปเพราะอะไรเพราะว่าสติโลกัสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกอันที่จริงในเรื่องของความตื่นนั้นจงกันข้ามกับความหลับ ความหลับมีโยสองประเภทด้วยกันคือว่าหลับโดยขันเรียกว่าขันธนิสาเป็นเรื่องของความต้องการทางกายที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องอาศัยความพักค่อนหลับนอนแต่วันในที่นี้ทรงเน้นไปที่กิเลสนิสาคือความหลับด้วยอำนาจของกิเลส ให้ลองสังเกตว่ากิเลส ท, ที่แกสามารถเกิดขึ้นครอบงาใจบังคับจิตของเราให้ผันแปรไปด้วยเรื่องต่างๆนั้นเป็นเพราะสติระลึกไม่ทันยับยั้งใจไปไม่ทันสตินอกจากจะทาหน้าที่ระลึกแล้วยังทาหน้าที่ปิดกัน้นกระแสของกิเลสกระแสแห่งอกุศล ด, ด้วยเมื่อระลึกไม่ทันก็ปิดไม่ทันเมื่อปิดไม่ทันค่าสึกก็เข้ามาได้ มาครอบงำจิตใจมาบังคับจิตใจได้แต่ถ้าสติระลึกได้ระลึกทันหรือวานึกออกก็จะทมหน้าที่ปิดกั้นกระแสของอากุศลเอาไว้ให้อากุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นครอบงำใจจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นจิตใจที่ตื่นอยู่ด้วยสติอิริยาบถความเคลื่อนไหวต่างๆนั้น ในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมาฐานแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาไปทุกข้อกรรมาฐานที่ต้องนั่งหลับตาเอาจริงจริงจังๆก็คือเรื่องของอนาปานสติเป็นต้นแต่ส่วนที่เป็นสัมปชัญญะประคือการตั้งสติระลึกรู้ทันอิริยาบททางหลาย ไม่ว่าจะคู่แขนเหย็ดแขนก้าวเดินถอยหลังนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นให้มีสติระลึกรู้ทันว่าขณะเมื่อจะนั่งอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เมื่อหยิบของก็รู้ว่าเราหยิบของเป็นต้นการปฏิบัติในชั้นนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหลับตาภาวนาอะไรหรือแม้แต่เรื่องของอริยบทสี่ที่เรียกว่าอ ร, ยา ร, ะะระะิยปฐปภะ ว่าด้วยการระลึกรู้ทันียาบททั้ง4ี่ประการคือยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหลับตาแต่สําคัญที่สุดอยู่ที่สติจะต้องระลึกทันเนื่องจากอริยาบททั้ง4ประการนั้นเป็นอริยาบทที่คนใช้ในชีวิตประจําวันไปไหนมาไหนทําภารกิจการงานต่างๆข้อสําคัญให้มีสติระลึกทันเท่านั้นทั้งก็จัดเป็นชากริยานุโยคแล้ แม้ในอิรยาบทที่ย่อยลงไปซึ่งอยู่ในหมวดของสามปัญญะที่ว่านั้นคือทุกอย่างของความเคลื่อนไหวทางจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ท, ทางกายและทางจิตท่านให้มีสติระลึกทันต่ออิรยาบทเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลมีสติระลึกทันต่ออิรยาบทต่างๆได้ ความพลั้งพลาดที่เคยเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวนาตตัวสตินั้นแกจะทาหน้าที่ระลึกได้ระลึกรู้แล้วระลึกออกหรือนึกออกถึงแม้จะพลั้งพลาดไปบ้างบางขณะก็แก้ไขได้สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนให้อยู่ในคันลองแห่งธรรมะได้อีกประการหนึ่ง ท่านแปลว่าไม่เห็นแก่หลับแก่นอนมากนะการนอนพักผ่อนก็เหมือนกันเป็นความต้องการทางร่างกายถ้าหากว่าบุคคลสามารถคุมให้หลับได้จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลามากมายถึง 6, ถึงเจ็ดแปดชั่วโมงอย่างที่พูดกันเพราะตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในทางศาสนานั้นบุคคลเพียงพักผ่อนสี่ชั่วโมงในยามตอนกลางเท่านั้นเอง ก็อาจที่จะอยู่ได้แต่ทั้งนี้หมายความว่าจะต้องเป็นการพักผ่อนการหลับนอนอย่างแท้จริงการหลับอย่างที่เป็นชากริยานุโยคคือหลับอย่างผู้มีความเพียรพยายามนั้นพระพุทมีพระภาคเจ้าเองทรงบรรทมแบบสีหัสยายญาติคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกัน มีสติตั้งไว้ก่อนที่จะนอนว่าจะลุกขึ้นเวลานั้นเวลานี้ก่อนจะหลับก็มีสติในขณะหลับก็มีสติเวลาถึงเวลาที่ตนกําหนดไว้ว่าจะตื่นก็ตื่นขึ้นมาได้อย่างมีสติดังนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างนี้แม้จะนอนหลับอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ตื่นอยู่เพราะเป็นการหลับอย่างมีสติ ผลดีจากการหลับอย่างมีสติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าจะไม่ขวัญที่เป็นโทษเป็นอันตรายจิตใจของบุคคลจะคุ้นเคยกับความมีสติและสามารถตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วดังนั้นธรรมในชั้นนี้เมื่อผู้ศึกษาได้น้อมนำไป พินิษพิจนารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นทั้งกรรมฐานและเป็นทั้งการปฏิบัติในชั้นศีลสำหรับพระแล้วท่านเรียกว่าเจดูปาริสุทธิศีลทั้งสี่คือวินัยของพระมีศีลมากมายกล่กกองแต่ถ้าหากว่าบุคคลปฏิบัติชอบตามหลักทั้งสี่ประการนี้แล้วศีลไม่ต้องนับข้อไปปฏิบัติอะไร ก็ชื่อว่าปฏิบัติได้โดยถูกต้องสมบูรณ์เนื่องจากเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วจะมีลักษณะครอบคลุมข้อห้ามต่างๆที่ทรงบัญญัติไปในพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงด้วยข้อปฏิบัติเพียงสข้อท่านี้จะทำให้อาการทางกายทางวาจาของบุคคลดำเนินไปตามคันลองแห่งอริยมรรค3าประการ คือสมาวาจาสมากัมมันตะและสมาชีวะแต่ว่าในขณะเดียวกันเป็นการเสริมในด้านจิตสิกขาให้มีความสงบมีความประนีตขึ้นด้วยหลักของอินทรียสังวรและหลักของจากริยานุโยคคือประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตืร์จุอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นบรไดาธรรมแห่งธรรมะ คือก้าวไปจากเรื่องของกายเรื่องของวาจาแล้วก็การสํารวมที่เกี่ยวข้องกับทั้งกายและทั้ง จ, จิตใจต่อจากนั้นก็ดำเนินไปเชื่อมต่อกับความสงบที่เป็นสมาธิซึ่งจะเป็นอีกช่วงหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติดังนั้นจรณะในส่วนนี้เมื่อบุคคลน้อมมารำลึกพิจารณาเห็น ก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมสายในพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะทั้งสีประการนี้ในการน้อมนำมาระลึกเพื่อให้เกิดความสงบความสงบก็จะเกิดขึ้นถ้าน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นการขาจัดอกุศลและบาปประมซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลธรรมเหล่านี้ให้บรรทาบบางลงไปและจะได้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยใจของตนจ่างแท้จริงในระดับหนึ่งต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป